กานปรปฏิบัติขอปฏิบัติของเก่าเรากป็คนเก่ายิ่งใหญ่ตัวเก่าใจตัวเก่าจิตใลืมหลงก็สําคัญความเพียรเป็นอย่างสำคัญที่นักปฏิบัติทุกท่านเ น, น, นี่ยต้องมอข้ามความเพียรที่มีที่โต น, นา บนปีีตในเวลาหยัดเรียนสมเร็จไปทถานั้นในเด็กิดเอามาศึกษาคิดแจลงนสอนใจของตัวเมื่อไหนมีกรรมฐานหลมกรรมฐานลมกรรมฐานผาดธรรมะภายในใจคิดไปคุดไปแต่เรื่องของโลกจิตใจก็ว่าวุาว่นจิตใจก็มัวเมา เหนื่อยเบาในสาวอะไรสุขทุกข์ดีชั่วหยากละเอียดพอใจจินมุง่งออกไปทางนอกอย่างนั้นใจในสงบเลยไม่เ ห, เ, นนเห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงไนดะ้คิดว่าความสุขจะอยู่กับวัตถุความสุขจะอยู่กับกัญญาอารมณ์ความสุขจะอยู่กับอยู่เสียงกิง่นเลอด เราส่งจิตไปตัแต่ข้างนอกเพราะมีกรรมาฐานภายในคือใจของตัวไม่สงบรวมรวมให้มเมาเห็นอนนี้ส่งของการบวชยิงเห็นอนนี้ส่งของการบวชเท่าไรใจก็ยิงไปกันใหญ่ลเลาอย่ีโวกกลับมาเป็นพระเป็นเ น, นรตั้งแต่สักวระเทศจิตใจมันอยู่ใน วัดเนววาในธรรมะที่พรจะพุทธเจ้าสอนเมื่อเป็นอย่างนั้นความเป็นอยู่ของปสู่ตามเณรนโนวดัดก็เหมือนกันกับนักโทษที่ถูกกักขังไม่มีความปลุกความสบายอะไรให้คอยวันคอยคืนคอยเดือนคอยปีจะจากจะหนี้จากวัดจากว่าจากศาสนาไป พอมาเห็นอา น, นิสองอะไรในการประบปฏิบัติของตนนี่ควรอยู่ในวัดเนดี่ได้เพราะขาดกรรมาฐานเพราะขาดการพี่นิติเจนาธรรมะที่อระชากอาจารย์แนะนถ้าคนหมั่นพี่ิจิเจนาธรรมะที่อุปสากอาจารย์แ น, น, น, น, นมมะนโดยป่อยจอิตจิตเพลงไปเรื่องขางหนอกพิเจนานเลยผลตามจนเพียง ที่านแน่สอนมันสําคัญอย่างไรท่านจึงสอนทุกหน้าทุกตาทุกบูบทุกนามที่มาบวชในศาสนาตลอดถึงพรพุทเจ้าเองเห็นสําคัญอย่างไรจึงทรงบรรดัตกรรมฐานส่วนนี้ให้เท่าอุปตานแน่สอนถ้าหากเราไปเจอมาคือว่าเป็นของสําคัญยิง่งเพราะท่านอสอนกรรมฐานให้ แต่เป็นฆ่าเป็นเมนอยู่ในศาสนาเมรได้คาสอนโอาวาทส่วนนี้เป็นคําสอนเบื้องต้ น, นที่ทุกคนเคยได้ศึกษาเดี๋ยวนํามาพิจารณากรรมฐานทั้งห้าส่งเรียกว่ามูลและกรรมฐานทุกคนมีหมายว่านักบวชรู้ใช่แล้วว่าแต่เมือ่อแม่มาบวชเขาหน่อสอนกันเรื่องของกรรมฐานทั้งห้า พอมอบวชจะเป็นพระหรือเป็นเนมต้องผ่านกรมาฐานเสียก่อนจึงขอยรับศีนจึงขอยอุปสมบทตวจกรรมวจายจาร์ต่อไปนี่คือผู้บวชต้องผ่านเดือกันทุกคนแต่สมัยยนเขาถือว่าพระช า, าดดำดำอยู่ตามถาม้ำตามหพวตามป่าเขาถือว่าพระก็มาฐ า, า, านความจริง วัดบ้านหรืออยู่ไห น, ไหนทีบวชเขามาในาศาสนาเขาสอนกันทางนั้นแต่เ้าไม่ทิ้วว่าเขาเป็นกรรมฐานเขามองข้ามเรื่องของกรรมฐานทิ้วว่าการปฏิบัติอยู่ธรรมอยู่เขาจริงว่าเป็นกรรมฐานอยู่วัดบ้านหรือธรรมดาหรือทิ้วกว่ากรรมฐานเราผู ที่ถูกลกเขาจะนวดว่าเป็นพาะกรรมาฐานเนรกรรมาฐานเขาจ้องมองเหมือนผ้าขาววัวนักปฏิบัติอะไรผิดจิดเปลี่ยนเล็กน้อย <c oughs> จะเห็นง่ายเพราะผ้าขาวูีสายตาของโลกทั่วไปทำนองนั้นมักมองพระกรมมฐานมองมากกว่าพาวัดบ้าน ปฏิบัติไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาตำหนิเพราะเขาเห็นง่ายก็มาฐานโดยส่ว น, นใหญ่เคยปฏิบัติใจใจต้องตัวดีมีความสงบสุนขนาเคารพบูชาทราบว่าเลื่อนไสแต่วัดบ้านก็ทำอะไรไปเขาเชื่อเป็นธรรมดา้าสวดนี้ไม่เคยต้องวอนรักษาชินทำอะไรเขาอภัยให้ แต่กรรมฐานเลยได้คิดพลาดนิดหน่อยเขาก็ดูหมือนนินทาฉะนั้นเราผู้รักษาวงของกรรมฐานเป็นพระเน้นอยู่ก็จ่องมองอยู่ทุกระยะเวลาอยากจะให้เขาดูหมือนนินทาว่าพระกรรมฐานนั้นปฏิบัติทําต่างๆไม่เป็นพาด วิยากายวายจะเอโเลเพฮะในสังวนรักษาปวกใจอะไรไปในจิตวิญญาณในการหาในมีธรรมะในจิตในใจอย่างเขาดูหมินม่นลินทาอย่างนั้นตัวของเราเสียไปเพียงคนเดียวแ่านั้นในวัดหรือในทัศกุ่วกี่วนถึงถึ่งเป็นกรรมฐานในวัดเราได้อวัด อ, รร อ, อื่นยิ่งมีคนต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็ะดูหมิ่นลินทาถูกไป ประเทศไทยพระไทยนักปฏิบัติไทยเป็นดังนั้นดังเขาจะดูหมินม่นหมิานพรว่าพระไทยไม่ใช่ทศจะถือว่าองค์นั้นองค์นี้เพราเราอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยเป็นประเทศพุทธศาสนาโลกขวบไปผู้ที่สนใจพุทธศาสนาห่างไหลมาศึกษาในวัดวาต่างๆสมัยนี้เห็นินโบ พบบ่อยจิต ท, ที่เขาสนใจไม่อดในทําพวกเรานั้นในเจ้าคนโง่เคยศึกษาเรื่องของโลกมาตำหรักตําราเขาเคยผ่านแล้วก็มาตั้งเกี่ยวกับเหการ ข, าง ข, างขางองคลาของเนินว่าอยู่เยินเป็นผิดหรืไม่ถูกต้องตามตำหรักตาราที่เขาศึกษามาหรือไม่ยังมีจิตใจการทําผูกคิดเป็นอย่างไรเขาจะต้องมาตั้งเกี่ย เหยียบเหมต่างๆหาเสกเราไม่รักษาเอาไว้เราเสื่อเราเสียไปเพียงคนเดียวเหมือ น, นตาเน่าเพียงตัวเดียวสาหัสหรือทำให้ตัวอื่นเน่าเหมือนไปเหียบกันทั้งๆที่ตัวอื่นยังไม่ตายังไม่เน่าเรากดจมรักษาเอาไว้ใจมันคิดมันปรุงอยากพูดอยากทาทางชื่อทางเสียก็ให้หักห้ามเอาไว้เพราะ การที่การเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราจะช่่อเสียแต่เฉพาะตัวของเราเท่านั้นคืออาจารย์หรือรองค์งกรรมาฐานจะช่่อเสียไปหมดเพราะตัวของเราในจังหวะรักษาในหักห้ามจิตใจจิตใจคิดในส่วนชื่อเเสียต่างๆเราจะต้องถือว่าเราจะต้องรักษาศาสนาเอาไว้ ไม่เหรอ <c oughs> ใจไปเกี่ยวของหย่นได้อยงของโลกของสงสารของเฉีวของเสียเมื่ออย่างนั้นไม่มีใครที่จะไปหักให้ต่างทานให้เพราะใจของตัวตั ว, ตวเองทาบดีว่ามันคิดอะไรปรุงอะไรผิดถูกเสียดีอย่างไรถ้าไม่มีสติรักษาหรือปัญญาเนี่ยสอนมันจะไปเป็นใหญ่เรามาบวช แทนที่จะมีความสุกความสบายภายในแต่เดี๋ยวรมวุ่นวายเพราะยืดเรียดเขาใจยี่เหียกที่จะเขาใจได้ก็ไมใจอื่นใจอะไรเพราะห่างไกลจากกรรมฐานที่ตัว อ, อาจารย์แนะสอนฉะนั้นกรรมฐานจึงเป็นเรื่องสำคัญซึ่งพวกเราทุกคนต้องมองข้างหลวกรรมฐานนี่แหละ อบมาๆบอกันเหมมีความสุขความสบายหกรรมฐานคืออะไรผขนเล็บปันหนั ง, งนี่คือกรรมฐานอิจ า, าอาจารย์แม่สอนเ่งนจนก่อนบวชคนที่มืมีผมก็ไม่เคยเลงตังทีว่าผิวว่าไม่สวยไมนงามงอย่วางหน้าตา คนอื่นสว้งานอยู่แต่มันมีผมแถวนั้นมันก็เสียไปอีกควาเสื่อวามงานเพราะเขาถือว่าผมเป็นเรื่องหนึ่งคื่เป็นเครื่องประดับเมื่อผู้หญิงผู้ชายถ า, ถาขาดผมไปคนนั้นก็ม่เข้าพ่าเขาไม่ยินยอมเขาไม่ชอบเขาไม่ยินดี ผมเราก็ต้องที่นี้เจอนะว่ามันสวยงามจริงไหมหากมันสวยงามตกลงไปน้ำเดิมหรือตกลงไปถ้วยกานอาหารหรือตกไปที่นั่งพูนอนม า, มากเราจะไม่สามารที่จะนั่งจะนอนจะเดินจะขันสิงเหล่านั้ น, เนไเ้ส่วนใดมันซึงใไหน้ายอมมันสวยงามดังนั้นดัง มันดมันดีนดอะไรผมมันเกิดที่เกิดของมันมันก็เกิดขึ้นจากที่สัยมีหนังเป็นผีขุดเกิดขึ้นมาแต่ก็อาศัยเลือดเน้อเหลืองของเน่าของเสียอยู่ในนั้นบำรุงรักษามาันจึงงอกงามออกมาในใจว่าไปมีแต่อหนัง มัแห้งหรือกระดุกเท่านั้นผมมันจะเกิดขึ้นมาได้ผมจะเหมือกนกันตัดต้นไม้ใบหั่งท้าหากในนี้ขี้ยิ้มลนนี้ขี้ในนี้นั้นขุ้นเช่มันตอกงอไงไม่ได้มันแห้งมันตายไปแขนใดผมเกิดขึ้นในบนตี๊ดสานั้นมันก็ไม่คิดแตกแตกต่างอะไรกันกับต้นไม้ใบหญ่ง ในใจของเสือสดนดงานอะไรในทึ่ใสที่หลักที่เงินจึงเยื่องเลยเสือในจานอาหารอาจจะเพราะขาดจีกันก็ได้เพราะในชอบแต่ทำไมอยู่ในทีษสัของเขาเราจึงไปชอบไปจิตไปคิบไปตป็นเหน่อมันเฉยมันงานอย่างนั้นอย่างนี้ผมก่อนเป็นของกีรังอย่างเย็นมีกัรหลุด ก, กนรล่วงออกงอกใหม่และ แต่โบกําอยู่แตนอไปก็เป็นไปไม่ได้เมื่ออายุแก่มาก็ขาวขึนมาเงาะขึนมาคนเงาะคนขาวเป็นจินที่ต้องการทาน ค, คอนอีกนั้ น, น, นท่นเดียวนั้นจึงมีตามย่อมท่านคนผีหลงไหลใส่ฝันในตามมัตคุณแต่แต่ํารหของคนลื่มหลงคนตาฝ่าตาฟางคนผีขาดสติปัญญาขาดธรรมะขาดกรรมฐ า, านยัหลงคนทีมีธรรมะ ในจิตในใจท่านในหลวงฉะนั้นท่านจึงเหตุที่ไิจาลยนะเรื่องผมเหตุโจรใจในจิตของตัวจีจังในหลวงไหลใส่ฝันผมของเราอย่างไรผมของเขาตัอย่างนะไม่มีอะไรที่จะสวยงดงามจะน่ารักน่าบูชาน่ายินดีน่าปราถนาเหตุโจการที่จะเลยเรื่องของผม ขนก้เหมือนกันทุกคนมีขนเริ่มแต่ปากมือขาท้านอกนั้นมีขนเกิดขึ้นทุกหงทุกแห่งจนนับไม่ถ้วนขนนี้ปกติเขาก็อทิ้งแบบสวยงามทำให้ขนเขากทิ้แบบไม่สวยงามอีกเหมือนกันขนก่อเป็นเรื่องสาคัญที่คนห่งหลง โลกสมมติว่ามันขนงานด่างนั้นขนงานด่างนี้อีกเราไปเลยหลมกันไปยิ่มขนเลยหล่มผา้าตุตกเลนใส่ในภาชนะอาหารดรือน้ำดื่มลังเกียบกันไม่มีในนครปากถนาใฝ่ฝันแต่ทำไมเ้าเราจึงไปหลงไปหลงมันกินได้หรือ รสอร่อยหรือลรืิตใจบ้าบองไปหลงไปหลงสิ่งเหล่านั้นเล็บก็เหมกันเขาประดาประดาเขาตบเขาแต่งตรงัดตรงหตรปัต้องแต่งจ้นหน้าดูถ้าปล่อยเอาไว้แต่วันเกิดหมึอนเล็บวัวเล็บคายมันจะเป็นย่างไรเล็บมนุษเราต้งกินหน้าดูเอเลไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไร สกปรกแค่นั้นคือจะสกปรกในใจของเสือของงามอะไรแกะออกมาทิ้งลงไปในข่าวตาอาหารก็รับทานไม่ได้ถ้าเกล็บคนเข้าอาหารนั่นจะไม่รสชาดอร่อยอร่อยขนาดไหนเล็บมนุษย์เล็บข่าเล็ดมือของคนเพียงเห็นแค่นั้น อาหารตัหาจากรสชาติพอความเมตตาขนานคล่องใจแต่ความจริ้นรถชาติของอาหารมันจะคงเส้นคงวาตามเดิมขงมันแต่ใจของเราสําคัญถ้าไปคิดสิ่งนั้นไปยึดสิ่งนี้มันเกิดเป็นคิดเป็นไถ่ขึคิดไปผิดมันจะทาผิดทําใจเหหวีห่ยนไหวแอบโกรธแอบเกลียดต่างๆถ้าคิดไปถูกมันจะมีทาง ที่จะแก่ไขใจของตัวให้เย็นหสบายได้จิตเป็นเรื่องสำคัญความยึดเหนี่นถือหนันของจิตตามประมุขของโลกถ้าหากหาจิตไม่เหวินจิตไม่เข้าใจในสิ่ง น, นั้นมันก้มในเตมาร ย, ủ, ย ai, ตถือก็จะ it, thứ, ต้องอาศัยตำยาที่เจ้าน่ะในสิ่งเหมือนั้นให้วห็นตามเป็นจริงมันจึงจะแกไขความยึดนงผิวหนังองใจได้ฉะนั้นทำยิ่งเหนื่อยที่เจานะความลุ่มหลงของ na, ỏ, จิดในเรื่องเี่อปัญหาทำยิ่งเหนือยตมาฐานทั้งห้ามาเนี่ยอนเหวยที่เจนะบอยๆแกออกรู้เล มันเสือมันงานจริงจในจังหวัดฟันตึงนั้นกันขับอยู่ทุกข้าทุกเย็นถึงขนั้นก็ยังเหน็บยังกลุ่นไม่ใช่นันหอมมันดบมันดีมันมีคุณค่าสาอะไรตกเล่มออกมาก็ไม่ต่างหนาถ้าฟันธรรมดาของผู้ทุชนถ้าฟันของพระพุทธเจ้าฤทธิ์ที่อาจารย์ที่นนี้เริ่มหลดใส่ตกเลมออกมา ในว่าจะฟันกระดูกกันนั้นกันแย่งกันเน็ตโยกผีแต่ถ้าฟันธรรมดาแล้วถือกันว่าตัวโปรย่างนะ้นะัโปรย่างนี้แต่ก็เลี้งกันดูในปากเขาขัดถือดูแลรักษาก็เลยเพื่อฟันสวยฟันงานอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งออกมาเห็นอลไรฟันขาวสะอาดน่ารักนะชม มันคิดไปทางโน้นจิตใจถึงมีความจิตของของกิเลสกันหาท่านพิงิตรพิเชษนะฟันนี้ก็ให้ทุกข์มู้นกันแก่เจ้าตัวไม่ว่าผมว่าขนว่าเล็บว่าฟันมันให้ทุกข์มันย่องมันหล่นก็่าเป็นทุกข์มันยาวเกินเหยียดเกินผนก็่าเป็นทุกข์มันแดงมันขาวเกิดขึ้นก็่าเป็นทุกข์ มันเป็นพุกพรความยึดความถือของจิตของใจตัวของกายเองตัวของผมเอียงผมเอียงรเล็บเองฟันเอีงมันไม่เคยเป็นทุกข์กับเราเราจะเลีงไหลไปฝันในมันขนาดไหนมันก็เป็นไปตามน่ะที่ของมันถึงเวลามันหงอข้อเท้ามันบุดมันเลี้ยงมันโกงงอขกอเท้าโกลูโกเลี้ยงแล็บกงเหมือนกันถึงเวลามันหงอมันโเหงอออกมาห้ามมันไม่ได้ผลจีว่าเป็นเรื่องอนัตตา เวลามันเจ็บมันปวดมีอะไรทิ่มแทงเข้าไปหรืมีอะไรไปถูกต้องของแข็งเขา่าฟันของเรามันก็เป็นทุกข์บางทีอาจทานอาหารไม่ได้โขดฉันอะไรไม่ได้เพรมันเจ็บมันปวดนอนไม่หลับมันให้ทุกข์มันงอบอยู่ในที่สกป็ปรกจึงมีการ รักษามีการชำระอยู่ในเลือยๆทิ่งเหล่านี้ในใจของสวยงามตามธรรมชเป็นของสกกรกเป็นของเน่าของเหน็บเป็นของที่เหน็ดพึงตากถนาแต่ที่เหลือตันหาคือเหน็ดเจริญนาเหยียดธรรมะเหยีอดปัญญาเราย่ำไหล่ไขว้ฝันว่าอันนั้นงามอันนี้เสยอย่างนั้นอย่างนี้ไปยืนดีจูบกอดทั้งทั้งสี่ของเสวโมนีอยู่แต่ไม่ทราบ ไปย็ดเอาของอื่นโลอกอื่นเรื่องอื่ น, นมาเติมจิตแทนจึตจให้จิตมีพิจารณาหนนะังต่อม้วนกันหากเราถลอกออกไปในมีหนังคนไม่มีหนังทีถึงหลังกายของคนนั้นที่มีหนังห่อหุ้มอยู่เป็นง า, นงามโลก ง, งามจากตะวนันตะวินอะไรต่อตานหากถลอกหนังออกหมดแล้ว เอาไปเถอะไปขายไปขายที่ไหนก็ไปในมีใครตาดหนาะในมีใครชอบในมีใครยินดีนี่คือการพิจรารณาแกไขใจสิ่งของสิดจิตจึงไปในราคาตันหาต่างๆหากเราคิดเ็นถึงเหตุถึงผลจนจิตของเป็นยอนจนมจํานนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆจิต จ, จ, จะไม่เมเาเมาเฝ้าฝันจิตจะไม่เลีงไหลติดข้ อ, ของ ในรูปเหมือนนั้นในสิ่งเหม น, นั้นเห็นว่าสิ่งเหม น, นั้นเป็นของตัวปกูนตามธรรมชาติของมันคนที่หลงไหลไฝฝันคือคนหนึ่งเดียที่นี้พีเจนาหากคนที่ไม่พี่เจนาธรรมะ ม, มีกรรมฐานอยู่ภายในจิตในใจใ น, น ใ, นในใฝ่ฝันในหลงไหลในไข้จิตในจิดข้องในสิ่งเหมือ น, นั้น เราท่านที่ใดสมมุตนนิว่าเป็นกรรมฐานจริงต้องนำไปวิจารไถ่จิตเพราะเป็นธรรมะที่จะแก้จิตของตัวเหรละชั่วความติดข้องต่างๆหรือเห็นตามเป็นจริเงเย็นสบายไม่มีอะไรวุ่นวายก่อควรจิตใจคนทั่วไปติดข้องเรื่งองเหล่านี้จึงเกิดทุกข์เกิดโทษอย่างเยอะอยู่ตลอดระยะเวลาไม่ว่า บ้านนอกในเมืองไม่ว่าหนึ่งว่าแจมันเลงไหลไฟฝันติดข้อในกรรมาฐานทั้งห้าเพราะถือว่ามันหน่ารักน่าสูตร่ากดกถือว่าส้ยงามอย่างนั้นอย่างนี้โดยจิตใจมืดบอดในธรรมนมันจิห็นไปอย่างนั้นถ้าจิตใจ ในเมื่อบอดสว่างถวัยเข้าใจตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ปติกรูปสิ่งเหล่านี้ปกปรสิ่งเหล่านี้อกุภะไม่เกของสวยสดงดงานใน่เของหอมหวานชวนดมมันรูมันเห็นมันเข้าใจชัดเจนอย่างนั้นมันไม่มีความติดข้องมันไม่มีความยินดีมันไม่มีความยึดถือหนูมันเลี้ยงไหลมันขาดธรรมะ ในใจมันจริงเป็นไปอย่างนั้นดันั้นการที่เจนะ้นานากรรมฐานทั้งห้าจียงเป็นหากที้ของพวกเราผู้ก่อเพลิดเพลิแต่ต้องที่นี้ที่เจ้านะให้จิตใจเรื่เห็นาตามจริงในกรรมฐ า, านทั้งห้าอย่าไปย้อนไหลไฟฝันในสิ่งเหล่านั้นว่าสวยงามงามให้ที่เจนะ้า ตัวของเราก็ได้พิจารณาคอนอื่นก็ได้ถ้ามันไม่เห็นทุกค์นโทษมันยังยึดยังถือก่อนพิจารณาเลยมิเหตุหรือมันยังไม่ยอมตะโน้มหัไปดูตนตอของมันขี่ไเอามาป่าชามันเล่ามันห ม, มุนไหมเขามากสังมาเผามีเรามีเขาขี่ไหนมีหญิงมีชายขี่ไหนมันสวยมันงามขี่ไหนอยากได้หรือไม่ สมัยพุทธกาลมีหญิงคนหนึ่งเป็นหญิงงามเมืองเป็นหญิงผิวเสือมากเขาถือในสมัยนั้นนางงามก็ไม่ได้แต่งงานกันคือจะให้จบไว้คนทั่วไปเดียวชมเชยกันอยู่มีผัวผัวโลกคนง่ายนะคนนี้ เขาประยกดางอะไรที่มาหรืออะไรในตำาตราเป็นน้องสาวของหมอ <c oughs> โกมาละพัดที่ไหนเป็นตื่นเต้นแต่เราก็รจำตำราในนั้คนมีสวยมากงามมากมีเศษผีถ้าลายชาจ้างไปแต่ละคืนเขาคิดเืินขา ทำตำลึงแทงมากแต่คนที่มีเงินมีทองก็ยิ่งมีปรารถนาคนนั้นเศร้าไปคนนี้เศร้าไปเขาเป็นคนงามแต่ที่สู่สามมาเรียนที่มีธรรมะในจิตในใจลหลงไหลจนลืมทานข้าว จนเป็นไข้เพราใจใฝ่ฝันเห็นเข้าตามตำหลับตำลากล่าวไว้คือไปเห็นนางคนรื้ต่อมาเนืออายุแกแกมาหน่อยจะกระดินไใสในศาสนานีมนคไปรับยิณฑบาตเพื่อถวายสลากัรพัดทุกวันนมนโยองค์นั้นนมนโยองค์นี้ วันละสี่องค์หรือแปดองค์แล้วแต่จะจะนี ม, มนไปไอ้พระรืกนี้ได้ข่าวหวยิ่ยกน่านี้อยู่ห่างเสื้อ ต, อตดนดงามมากก็อยากจะเห็นก็เลยมาดอมมองอยู่แถวนั่นแหละให้เขามี ม, มนก็พอถูกนิ ม, มนได้ไ้ฉันวันนั้นแกป่วยคนใช้ของแกอื้มออกมาประคองออกมามาไหว้พระ เพียงห็นแก่เปลืยอยวท่านั้นทั้งทั้งร่างกายของแกตัวหนึ่งแตมาอยู่แล้วแต่ก็ความงามที่โนนด่งดังที่คนที่มีปิเลตปัญหาชอบยินดีมันเกิดขึ้นชาโองานินเห็นเขา่าแต่เปลือกขนาดนี้แต่ยังสวยงามขนาดนี้ถ้าเขาดีๆหนึ่เปลือกใอไข่จะเป็นอย่างไรเปลือกฉันเข่าไม่ได้เพราะติดใจใฝ่ฝันในกามรมาลาธะต่างๆ ไปถึงวัดถึงบาบารก็ไม่้างนอนคิดนอนจิ้งถึงยินคนนั้นอยู่พอเหยื่อทอนั้นจะมีมีทางหายเลยตายไปพอตายไปพระเจ้าพิมพิสารไปทูอมาพุทเจ้าว่านะสิบีมาตายไปแล้วพุทเจ้าก็เลยบอกว่าอย่าไปสังไปเผานะให้เก็บเอาไว้ เพราะฉันทราบอย่างของชาเนี่ยที่ไปลหลนไหลในรูปของแก จ, จนถึงเจ็ดวันแล้วให้ไปชุมทาลายชาบอกวังประกาศให้คนมาดูพระพุทธเจ้าขอประกาศที่สื่อสงให้ไปดูงางงามโลกว่ามันงามขนาดไหนมันเน่าเซะไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้งให้ะร า, าชาประกาศจะขาย แต่ก่อนคืนรับพันาำลึงมีคนเช่าไปจะเดี๋ยวนี้จะขายในถึงนั้นเพียงห้าร้อยบาทใครจะซื้ออย่างคนนี้ไม่ไม่ไ ม, ม, ม, ม, มีใครรับปากจะซื้อลงมาสองร้อยสามเอาร้อยหนึ่งหรือห้าสิบก็ไม่มีใครรับปากจะซื้อเพียงจะตังค์เยกก็มีใครให้เป่าเปล่าก็ไม่มีใครต้องการนี่คือเรื่องของกาย เหนีวมันเหนี่ยวมันเปี้ยไปมันเป็นอย่างนั้นเลยมีใครปาฏถนาพระองค์นั้นก็เหมือนกันไปที่ไม่พิจาาแต่ก่อนที่ยังเหนตายใูหยุดหลังกายสวยสดงดงามน่ารักน่าสูดเราเลี้งไหลไส่ฉันจนฉันไม่ได้นอนไม่หลัะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้ร่างกายอันนี้มันเป็นอนิจจัง ร่างกายอันนี้ภายในในม่มีอะไรดีมีแต่ค้องเน่าคล้องเ ห, งเหน็แทนที่นี้พิจารณาเป็น์จิตใจได้สาเร็จด้ดยรวงเป็นอรหัตอาหา ร, า ร, หารนี่การแก่จิตใจสองพิจารณากรรมาฐานพราะความติดความคล้องคล้องใจเมื่อไปติดอันอื่นมากกว่าเรื่องของกายอันนี้เร่องของกรรมาฐานอันนี้กมามฐานอันนี้ ยเป็นเรื่องสําคัญพระภูติเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญคนที่ในเด็ศึกษาเรื่องของกรรมฐ า, านจึงระเบิดมาบวชในศาสนาท่านในสอกนกรรมฐ า, านให้ก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จมรรคผลได้กรรมฐ า, านจงเป็นเรื่องสําคัญท่านจริงเซงบัญญัติใหพระอุชฉาอาจารย์แมสอนกรรมฐ า, านให้ผู้มาบวชในศาสนา แต่เู้ในบวกก็มีกรรมฐานห้าอีกเหมือนกันถ้าใครมันพิมพ์พิจารณากรรมฐานทั้งหา้าใจจะไม่เกิดราคะตัณหาใจจะสงบใจจะเยน็นใจจะเห็นทุกโทษต่างๆมีคนที่มองข้ามใาเด็กพิพ์พิจารณาคิดอ่านเรื่องของกรรมฐานจึงเพลิดเพลินมัวเมาเข้าใจายอย่างลึกนั้น มันจะสวยสดงดงามเหลือไาใจว่ารยุนั้นมันน่ารักน่าชอบน่าจูบน่าเาากาะแต่สูวนที่นี้ที่เจรณากรรมฐานเพียนตามเป็นเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นเบี้ยวหน่ายคลายกำหนัตัว ข, งวของตัวก็มีทุกข์มีโทษรูปเปลีนเป็นเหมือนแต่ว่าดาย่าคิดเคลียบหน่ำตารูปสวยสดงดงามนั้ น, น, น, น, นเป็นที่รักให่ปรารถนา ของผู้เพืชนผู้อยกไส่ที่มีใจคลองสิทธิดเในเรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยยาหรือกรรมฐานทั้งหน้าแกไข่อย่างนั้นจะไม่มีวันใดใจจะสงบใจจะรู้จินเห็นจินได้ใจจะใส่ฝันติดข้องอยู่เรื่อยไอสโรกจป็นปีตาธนาของมนุษย์ผู้เพชนอย่างนั้นไม่ว่าง อดีตที่ผ่านมาหรืปัจจุบันอนาคตทางหน้า <c oughs> ก็ เ, กหาใให เ, เหมือนกันคนที่มีที่เลสกัญหาในใจไส่คิดจิตรู้เป็นเรื่องต้นเป็นตัวการสําคัญแต่ผู้ที่นีใจพนไปจาก เ, เรื่องกิเลสตันหา ท, นท่านในจิตข้องในรูปของท่านและรูปของคนอื่นเพราะอาศัยจิตใจเปลี่ยนสึกปฏิบัติที่ เข้าใจในรูปว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาเป็นอริยะอริยธรรมของเนิ่นของหนุนของปฏิปุณ ข, ของหนึ่งมีคุณค่าสาระแต่ยากหนักยากหนาจนนํานวนล้านจะมีคนเข้าใจหรือแก่งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้จํำนวนล้านจะมีเพียงคนสองคนก็ทั้งยาก เพราะจิตใจส่วนใดติดข้องในเรื่องของรูปโดยอำนาจขาดทำนะคือการพิราาาจารณากรรมฐานแต่เราท่านก็เหมือนกัน เ, นเป็นผู้ที่ตั้งเลี้ยงเบื่อวายกับดุของตนไม่ใช่น้อยมากเอวิชเชนอยากจะให้มันสวอมันงามอยากจะมันดีมันดีอยากจะเห็นมีคนฉันอาสัเชมแชร์ อย่างนั้นอย่างนี้นี่เครือิตที่ขาดอักขาดทมขาดกรรมฐานภายในมาจิตดบพาเริ้วเจ้าสมัยเก่าก่อนอย่างพระมหากัะจายนะท่านเรียกร่างสวยงามมากตามตำลับตำ ล, ลาวเหมือนสีสขันเหมือนกับทอง แต่ท่องธรรมธรรมชาติคนทั่วไปที่มีจีวีตปัญหาในใจเลี้ยงไหล ย, หยืดร่งางขอ ง, งท่านเฉยง่ายแต่ท่านก่อไม่เลี้ยงไหลในลูกแเพื่อปฏิบัติเป็นลรืล่องจากจีวีตปัญหาจากอาสวะภายในใจแต่ไปสถานที่ใดคนก็ชอบดูหยุบของท่านเพราะท่ า, ทางนงาม ผลสุดมีผู้ชายคนหนึ่งมาเห็นเขา้าผู้ชายคนนั้นสมุดของเศษฐีก็ท่้นทั้สี่แผ่นเป็นคะในหน้าเลลวไหลเพราะผู้ชายเดียวกันก็ไปคิดพอเห็นเขาา้ามันเสียงามผิดธรรมนาว่่ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างนี้เราหน่ได่าเป็นภรรยาไม่ยอมเป็นอันขา ก็ชอบมากชอบบุกของทาง่านเช่นคิดอย่างนั้นตัวของเขาถูกคิดจนบากเกิดอวัยวะเพศที่เป็นผู้ชายหายไปเป็นเพศผู้หญิงเกิดขึ้นแทนตัวและอับอายขายหน้าจะกลับไปบ้านกบลจากคนในบ้านเขาจะดูหมิ่นนินทา คนอื่นก็เหวินเข า, เขาจะว่าก็เลยหนีไปอยู่ประเทศอื่นเป็นผู้หญิงแต่แกตอนที่จะไปคิดชอบพักมหาการเจริญแล้วนะก็กแต่งงานแล้วมีลูกสองคนแล้หนีไปประเทศใหม่ไปกับพวกสาวเกียนเขาสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินเนื้อเยอะก็เลยไปแต่งงานแต่ลูกเสียชีวิท้งนั้นอีก ประเด็จหัวคือ ง, ง่ายมีเลูกสองคนมีเพื่อนอยู่เมือเดินกองทัพจะท้าขายกันจะพบเข้าเอ๊ะกินิยามาแะ้วยหาดหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างคนนี้เหมือนเพื่อนของเราที่ชอบค้กันมาแต่จะก่อนจริงๆเพื่อนคนนั้นคนนี้านานๆเนี้ยแต่คนคนนี้เป็นเพื่อนหญิงคนนั้นเป็นชายแต่ก่อนแต่เขาห น, นีมาทางนี้ อย่างนั้นเราควรจะต้องไปถามดูว่าเขามาจากไหนทําไมรูกย่างทุกอย่างมันเหมือนกันกับเพื่อนของเราจริงจริงันจะถามเขาจะไปเล่าถึงความเจริมาแต่เราไปประมาทไปชอบพอพระมหากระจายแล้วนะอะไรเ่าเพื่อนของเราจึงตายเป็นผู้หญิงเราอับอายท้ายหน้ายังไม่กลับไปที่บ้านของเราเราหนีมาอยู่เมืองนี้หลายปีแล้วจนแต่งงานลูกสองคนแล้ว ก็เลยถามว่าเอา้าเปนผู้หญิงกัเป็นผู้ชายอะไรมันสบายกว่ากันจะต้องเปนผู้ชายสบายกว่าถ้าอย่างนั้นคนณปรารถนาอยากจะกลับเป็นผู้ชายอีกไหมหรือห่วงอะไรกันอยู่อยากคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกถึงเมือทางบ้านเหมือกันแต่ถ้าจะาไปในเทศหญิงอย่างนี้ไปไม่ได้เพราะอายครับ ถ้าอย่างนั้นคุณไปกับเราเราจะไปขอเข้ามาท่านพระมหาใจแล้วนะให้จะพาคุณไปเล่าความจริงที่เรากลับเป็นผู้หญิงอย่างนี้ให้ท่านฟังพามาขอเข้ามาอลยาเทพผู่เป็นผู้หญิงตัวหายไปอรยาเทพผู้เคยเป็นผู้ชาย ก, ก็ตัดจกดขึ้นมาเหมือนเดิมเดิเป็นผู้หญิงอีก นีเรื่องของข้ามหากระจายนะงานจนผู้ชายเดียวกันเลงไหลใส่สันพวกเราถาหากเป็นอย่างนั้นดี อ, อกดีใจเพราะแต่ผู้ชายจะยังเหลงไหลผู้หญิงจะเป็นอย่างไรไม่ต้องถามถึงคมชอบเสือชอบงามเป็นอย่างนั้นคนถึงมีกิเลสปัญหาในไปแต่ถ้ามหากระจายนะถ้ามาคิดอย่างนั้นเยอะหูล่างกางตัวผีเสื้อวดงดงามนีเป็นที่เป็นไทย เป็นบาคเนกรรมแต่คนผิดที่เหลือหนาปัญญาย่า่เราจะทำอย่างไรเลยอธิฐ า, านาจให้เป็นแบบใหม่เห็มไหมท้องโตๆพุงใหญ่ๆสมัยตะจันบันอยู่ตามวัดต่างๆเด็กเขาก็รู้จักหีุ่มพระอะไรทรับกระจายะะมที่ท้องคนใหญ่ผิดปกติร่างกายตัวเตี้ยเหมือ น, นก่อนเตี้ยลงมาพุตัวใหญ่ท้องใหญ่ ในวิชายเขาตาเนานะนี่พระอริยเจ้าท่านมยินดีในรูปอย่างนี้ล้วทืณฑ์จะเสือขนาดไหนแต่จใจท่านเป็นเนใสฝันท่านเข้าใจยีแลมก่อนอ น, นุก้อนขี่ก้อนเน่าก่อนเหนนมนก้อนอสุภะอสุพันต์ในของดีอของดีมีคุณค่าก่อนทุกข์ก่อนยากก่อนลำบากลำคาญในหน้าตาถนะจะเกิดจะตายอีกต่อไปที่โยนาะ เข้าถึงอาจถึงธรรมจริงจังใจในความจิตจิตจึงในโ ล, โลสนกสงบสบายหายห่วงในการเกิดการตายของท่านถ้าเราเป็นอย่า ง, งนั้น่นจิตมันจิตจึงไปในโลกจะส่ ง, งเสรมมันถั้งทาง้าสี่เขาเหล่านั้นในใจใส่สนในใจหลงไหลในรู้อะไรกับเราแต่เราก็ บ, บ้า ไปดึงพระบาทเห็นพรสาวก็มาตักบาตรามาให้ทานแต่ยังไปติดข้องเหรวคนนี้หน่าตูดหน้ากอดอย่างนั้นอย่างนี้เพี้ยนไตพุงไตทังทั้งสิดธิเขาในตาสตร์อะไรมันขโมยในตัวอยูอย่างนี้เป็นพระเป็นเมินขโมยอย่างนั้นไม่มีตีนบริสุทธิ์อย่างนั้นมันจะเอานักเอาผล ม, มาจากที่ไหนห้ามจิตเตือนใจของตัวอย่าไปคิดชั่อเพิ่งชั่ออย่างนั้น กินได้ที่เ็นอาจเจนทำ <c oughs> ให้ที่นี้ที่เจนาะให้รักังใจที่ใส่ฝันไปอย่างนั้นในใจใจละเบิดในใจใ จ, ด, ใจดีใจไม่หน้ากราบไม่หน้าว่าใจไปเลงไหลกองขี่ว่าเป็นท่อหยุดท่องดีกว่มามักกดผสอนสอตป้นอย่างนั้นพยายามที่นี้ที่จนาะศึกษาทำร่าใจของตัว วันเพียเดือนปีผ่านไปผ่านไปการทันษากอเพียงจะหมดขอแล้วแต่จิตใจของเร า, าเป็นอย่างไรมีใจที่เหลือปัญหาห่อมล้อมจิตใจอยู่ตอลอดเวลาแต่ความดีมีคุณค่าธรรมะมรรคผลไม่ผลเกิดผลมีอะไรสิเราไม่ละอับอายตัวองตัวก็อับอายหมาอับอายเทวดาบ้าง คงระดูเพราะการเป็นอยู่ของพวกเรานักบวชเขาเคารพเขาบูชาข่าวปลาข่าหนึ่งหมที่อยู่ที่อาศัยเขาทำให้เขาอุดชิดให้เขาบูชาอยากจะให้เราประเทศปฏิบัติมีธรรมะในจิตในใจในใจเขาออามาบำรุงให้คนเกิดทีวิตัญหาลาข้าอย่างนี้พยายาม แสอนจิตใจของตนม่อย่างนั้นมั่นก็ ม, มีรัมมีเวลาที่จะดตจะดีไปได้โอเหอัวตองห น, นวดหนึ่งห่มผ้าเลื่องเสียงใครทำมันก็ได้ถ้าจิตมันไม่เป็นผ้าเป็นเงินไม่มีอาจมีทำมันทำง่ายมานี่โอกาสเวลาที่เราเข้ามาปฏิบัติศาสนา แล้วต่างหน้าต่างตามาประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อละความชั่วบำเพ็ญความดีถ้าเราไม่สอนตัวของตัวเราไม่เตือนตัวของตัวเราไม่ตั้งหน้าต่างตาทำความชั่วที่ผ่านมาวันเวลาที่หมดไปจน อ, อย่างไรเราต้องทราบจิตใจของเรา ถามันเชื่อมันเสียอยู่อย่างเก่าหรือมันเอยควรขึ้นมันก็หน้าอับอายมันก็หน้าสังเลกทั้งๆที่เราต่างหน้าต่างตานะแต่เพื่อปฏิบัติทำไมมันเป็นอย่างนั้นถ้าปฏิบัติกันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันต้องดีขึ้นนี่มันไม่ปฏิบัติมันจริงจนไปอย่างนั้นมันหามาเพิ่มเติม ต่อเกรื่องชื่อเสียมีมากเท่าไรอยู่ที่ไหนฮะเอามาใส่จิตใจของตัวเรื่องธรรมะธ ร, รมโมที่ครูอาจารย์แน่สอนหรือพระพุทธเจ้าเบงดอกมันไม่นมํามาพีิจใจนาะจิตใจมันจึงไม่มีคุนค่าจิตใจมันจริงอับเฉาอย่างนะั้นจิตใจมันจริงไม่จะแรืองงดงามไปในทางสงบสุขให้ พยายามเปลีนใจท่องตัวสอนใจท่องตัวมนอย่างนั้นมันไม่มีวันเวลาที่จะเป็นพระเป็นเนรเพื่อปูกไปเสด็จเพื่อสปปองบได้นี่แต่จ ะ, จะวุ่นวายก่อเวรเจ้าของตัวเองแสีรับทุกข์โทษคนอืน่นเมื่นเท่าก็ขยะขแ ข, ข, ข, ข็งไม่น่ากราบหน้าไหว้ไม่น่าบูชาเพราะไม่เป็นพระเป็นเนรเป็นเตฏในเครืแบบเป็นกาฝากเกาะศาสนาจีน มันมีคุณค่าสาระอะไรให้หมั่นที่วิพกาณาทำร้ายใจของตัวเมื่ออย่างนั้นในวัน ม, มีเวลาจีจะดีให้โอกาสที่ถาดหันของเราไม่สวยไข่ในมีโรคภัยเดียดเดียดหนักหนาควรจี่จะต่างหนา้าต่างตาฝากเาาาทียมเดินตรงกมภาวนาละกิเลสอย่าไปหนึ่งนอนใจเนื่อมันมีอยู่เมื่อไรในจิตในใจของเรา เราต้องขับไล่เราต้องละต้องถอนมันไปจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระเป็นเนรเป็นผู้ประพฤติตีบัดไม่ใช่นะเบื่อคิดจงไปใจอยู่ที่ไหนหลวงเอายอมปัญญาอดีตผ่านมาไม่ใช่บ่ีเดือนยี่ีมาแล้วนำมนอกมาคิดมาเให้จิตให้ใจเสียการเสียเวลาต่อหมอ เม่าเมาเป็นไปทางราคาตัญหาต่างๆคนแบบนั้นพขาจะไดเจ้าหรือฝากทั่วไปในสัมฤทเย์โยกกาฝากศาสนาโย่อเพดได้คนแบบหากคนใดตั้งใจจะพูดปฏิบัติศึกษากรรมฐานาตั้งๆต่างหน้าต่างตาสาวเพียนชาระจิตใจของตัว ละเชื่วบำเพ็ญดีหจิตถี่ในใจสงบเย็นก็สงบเย็นลงไปตัญญาที่ในใจเกิดมีก็เกิดมีขึ้นรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งต่างๆจิตใจว่างจากสัญญาอารมณ์จิตใจเบาจิตใจสบายพูกอย่างของโลกก็ผูดไปตามเขาใจใจของเราจิตคล่องหรือไม่เกิด ต, ตาที่แกนาะแจกไขให้ใจิตใจก้นจาก ตามติดข้องต้นจากสมุข้นที่ประเพื่อปฏบิบัติได้อย่างนั้นถึงจะไม่มีใครสังเวยสนเสื่อไม่ ม, ม, ม, มีใครหาใบประกาศนิยบั ต, ตรมาติดตากให้ว่าเป็นพระเป็นเม น, เนก็เป็นพระเป็นเมรุอยู่ตาตามเป็นจินของมันรอดเต็ในจิตในใจของตัวเขาจะเลื่อนใส่ศ ร, รัทธาหรือไม่เลื่อนใส่ศรทัทธาแต่ตัวของเราก็ทราบดีแต่เราไม่มีขี้เหร่ปัญหา เราเสียสละไปได้ทุกอย่างจิตใจของตัวเองเห็นชัดเจนอยู่อย่างนั้นธรรมะเป็นปัจจดตังรู้เฉพาะตัวเป็นสันทิฏีิโกเห็นเองในใจคนอื่นจะมาเห็นให้